เนกรรมฐานนะเราต้องรู้ก่อนว่าเราศึกษาไปเพื่อจะปฏิบัติปฏิบัติไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจใหเห็นความจริงของกายของใจเพื่อจะได้ปล่อยไม่ยึดถือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุก ทั้งปวงจุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์ในขั้นต้นความดับสนิทแห่งทุกข์ในขั้นปลายเวลาเราภาวนาจนบราารลุพระอรหันต์เราจะพ้นจากทุกข์พ้นจากรูปนามพ้นจากความยึดถือในขันห้าเนี่ย เแื่อวันที่ปรินิพานนะขันนั้นแตกขันนั้นดับเราจะถึงความดับทุกคือดับขันนะที่เราเรียกดับขันปรินิพานอ น, นิพานนี่มีสองอันอันหนึ่งนิพานกิเลสเวลาบรรลุพระอรหันต์เรียกว่าสาวุปาทิเศสนิพานเป็นนิพานที่ยังมีขันเหลืออยู่ก็ดำรงชีวิตไป ด้วยความสุขในจิตใจไม่มีอะไรเข้ามาปลูกแต่งได้อีกแล้วจนวันหนึ่งสิ้นขันขันมันแตกขันมันดับดับขันปรินิพานมีชื่อว่าอนุปาทิเศสนิพานสองอันนะอันหนึ่งสาุปาทิเศสนิพานยังมีขันเหลืออยู่อันหนึ่งอนุปาทิเศสนิพานไม่มีขันเหลืออยู่ ตรงที่ยังมีขันเหลืออยู่เนี่ยจิตมันพ้นทุกตรงที่ขันมันแตกดับไปนะถึงความดับทุกคนทั่วไปได้ยินอย่าง น, นี้กลัวกลัวความสูญเสียว่าเรายัางภาวนามไม่เป็นถ้าว่าเราภาวนาเป็นเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่มีอยู่มันคือตัวทุกันไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรหรอก เนตัวทุกข์มันจะแตกมันจะดับอะไรเนี่ยจิตไม่หวันห่นไหวนะจิตร่าเริงเงั้นเวลาครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงรวนหลังๆเนี่ยอย่างหลวงปู่ดูลช่วงที่ท่านจะมรณาภาพวันสุดท้ายของชีวิตนะท่านจะผ่องใสมากเลย ใส่กลิบเลยคล้ายๆถ้าเทียบกับพวกเราคล้ายๆโบนัสกําลังจะออกละใครเคยได้โบนัสไหมมีไหมโบนัสเยอะๆเลยโบนัสหนึ่งปีอะไรเงี้ยโบนัสจะออกความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันจะไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราพอร่างกายนี้จะตายเรารู้สึกนี่คือความสูญเสีย อย่าพระอรหัเวลาท่านจะมรณภาพจะนิพพา น, นท่านรู้สึกว่าตัวทุกข์มันกําลังจะแตกแล้วตัวที่เป็นภาระที่ยังต้องดูแลรักษาอยู่นะเป็นภาระทางร่างกายมันแตกงั้นท่านจะร่าเริงมากในพระไตรปิฎกเขาพูดนะพระพุทธเจ้าในท่านจะผ่องใสสุดฉิดวันที่บรรลุพระอรหันต การวันที่จะปรินิพพานวันที่ท่านบรรลุพระอรหันต์ท่านท่องใสมากเพราะท่านบรรลุถึงสั乌ปาที่เสสนิพพานนิพพานที่ยังมีขันเหลือวันที่ท่านจะปรินิพพานดับขันปรินิพพานนะท่านจะบรรลุอนุปาที่เสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีขันเหลืออยู่งั้นสองวันนี้ี่เป็นวันที่ พระพุทธเจ้านะจะผ่องใสพิเศษครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันเวลาขันท่านจะแตกเนี่ยท่านจะผ่องใสพิเศษตอนที่ท่านเข้าถึงธรรมะท่านก็ผ่องใสพิเศษอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นปกติไอ้พวกเราภาวนาไปนะวันไหนเข้าถึงสอุปาทิเศ ส, สนิพานเราจะรู้ว่าโอ้ มันมีความสุขมันมหาศาลเกิดขึ้นมันสุขถึงระดับที่เหมือนจะตายเลยสุขเหมือนใจจะแตกนะสุขเหมือนขันเนี่ยจะรองรับไม่ไหวไม่ใช่ทุกจนจะตายพวกเรารู้จักทุกจนจะตายใครเคยอกหักบ้างยกมือสีให้เคยอกหักอกหักรักมากมาก เวลาสูญเสียไปรู้สึกไหมทุกทุกปางตายน้ำตาร่วงเลยไว้เวลาบรรลุมรรคผลนะไม่ต้องถึงพระอรหันต์หรอกบรรลุมรรคผลแต่ขั้นต้นๆมันก็มีความสุขแต่ทุกสุขเกือบตายเลยแต่ขั้นสุดท้าย ยิยงย่งเราเรียนรู้ความจริงของขันจิตปล่อยวางขันไปจิตเห็นความจริงว่าขันนี้เป็นทุกข์พอมันวางขันได้จิตมันเข้าไปสัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนถ้าคนจีนจะคุ้นชินคุค้นเคยกับคำว่าพุทธภาวะจิตเข้าถึงพุทธภาวะ พวกเราก็าเรียกกันว่าจิตม า, ารลุพระอรหันต์อะไรอย่างนี้นะพูดแบบหยาบๆครูบาอาจารย์ท่านก็มีคำของท่านอย่าสมเด็จยานสังวรนะท่านก็จิตนับเ ข, ข้าถึงความเป็นวิน ญ, ญาณธาตุเข้าถึงความเป็นธาตุธาตุธ า, าตุนะไม่ใช่ธาตุ ท, ทหานสละอาสอเสือนะ จริงๆจิตพวกเราก็เป็นธาตุอยู่แล้วแต่เป็นทอทหารสอรเสือยังนะไม่เข้าถึงความเป็นธรรมธาตุวิญญาณธ า, าตนะุเข้าถึงตรงนั้นเนามีความสุขนี่ครูบาจารย์เล่าให้ฟังนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาหาเรื่องเราอีกกลัวมากเลยคนรุ่นเนี้ย <c oughs> อุบาท <c oughs> เนี่ยเราหล่อพระสักองค์ไหมปางกามโมปัญญาไอ้ตัวยอดมนุษย์นะพิทักโลกด้วยการเข็นฆ่ามันไม่ใช่ลักษณะของพุท ธ, ธะพุทธะไม่ได้ไปฆ่าใครพุทธะฆ่ากิเลสเนี่ยเอา ตัวโสตโภคพวกนี้มาเทียบกับพระพุทธเจ้าเทียบไม่ได้เด็กมันไม่ได้เรียนกรรมฐานไม่ได้เรียนศาสนาผู้ใหญ่ก็ลงไปด้วยเข้าถึงพุทธภ า, ภาวะนะมันจะสะอาดหมดจดไม่มีหรอกในเรื่องยีเปตีกับใครฆ่ากับใครไม่มี ที่พวกเราค่อยๆฝึกตัวเองไปจนใจเราค่อยๆสะอาดมากขึ้นมากขึ้นใครภาวนามาแล้วรู้สึกว่าใจสะอาดมากขึ้นรู้สึกบ้างไหมแล้ว ร, รู้สึกไหมทถ้างๆ ท, ที่รู้สึกว่าใจสะอาดมากขึ้นเนะี่ยเราเห็นกิเลสบ่อยขึ้นใครภาวนาแล้วเห็นกิเลสบ่อยขึ้นยกมือให้ดูหน่อยสิหัวหน้าชื่นใจนะ หลวงพ่อถึงพูดเลยได้นะสมัยก่อนนะบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อปลื้มใจลูกศิษย์หลวงพากิเลสเยอะบางคนมันก็ว่าเพี้ยนแล้วพระอะไรวะลูกศิษย์กิเลสเยอะแล้วปลื้มใจคนในโลกมันกิเลสเยอะทั้งนั้นแหละแต่มันไม่เห็นมันคิดว่ากูดีกูดีนะมันคิดอยู่แค่เนี้ยเรามาภาวนานะมาเรียนรู้ตัวเองเห็นกิเลสตัวเองไป กิเลสมันผลักดันให้จิตนี้ดิ้นรนปรุงแต่งพอจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งไปนะจิตใจมันก็ทุกข์ปรุงดีมันก็ทุกข์อย่างคนดีปรุงชั่วมันก็ทุกข์อย่างคนชั่วพยายามจะไม่ปรุงมันก็ทุกข์แบบพวกที่พยายามจะไม่ปรุงนะเนต้องเรียนต้องรู้เอาเองนะใครก็ช่วยเราไม่ได้เรา ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวครูบาอาจารย์บอกวิธีปฏิบัติให้ได้แต่เราต้องลงมือทำเอาเองหัดดูตัวเองย้อนกลับมาดูจิตใจตัวเองใจเราทั้งวันเนี่ยมีแต่ความปรุงแต่งเนี่ยก็ปรุงชั่วเดี๋ยก็ปรุงดีพวกเราก็มีอยู่สองปรุงท่า น, นปรุงชั่วปรุงดีส่วนปรุง ที่จะไม่ปรุงนะปรุงยากมันต้องเข้าไปเป็นอรูปภพพรมก็เป็นพรมลูกฟักซึ่งเราเข้าไม่เป็นหอเราเข้าฌานไม่ได้อย่างมากก็แกล้งมารยานะมีนะแกล้งมารยาบอกตัวเองว่าไอ้น้อยก็มียึดไอ้นี่ก็มียึดความดีก็ไม่ยึดความชั่วก็ไม่ยึดแต่ใจนี่ถูกกิเลสครอบเอาไว้ไอ้นี่พูดแต่ปาก ถ้าจริงๆใจปรุงชั่วแต่บอกว่าฉันไม่ปรุงอะไรละฉันไม่ยึดถืออะไรละนี่กำลังปรุงชั่วส่วนให้ปรุงที่พยายามจะไม่ปรุงจริงๆต้องเข้าทำที่สุดนะชั้นที่สี่แล้วไปพลิกไปเป็นพมรมลูกฟักดับความรู้สึกลงไปหรือไม่ก็เข้าอารูปฌานฌานอารูปหนึ่งสองสามสี่ วิธีเข้าอารูปไม่ใช่ยากอะไรหรอกนะที่เข้าอารูปลองหลับตาสิทำใจปกตินะหลับตาสัมผัสไปที่ความรู้สึกว่างๆรู้สึกไหมมันมีความรู้สึกที่ว่างๆอยู่อันหนึ่ง อแล้วถอยออกมาทอยจิตเอาม า, ด เ, า, มาเดี๋ยวไปติดหายใจแรงๆหายใจแรงๆไหมตรงที่ใจเราเข้าไปจับอยู่ในช่องว่างนะ่งกระทั่งความรู้สึกนึกคิดอื่นเนี่ยหายไปทั้งโลกก็หายไปนะร่างกายก็หายไปมีแต่จิตกับช่องว่างอยู่ด้วยกัน อันนี้ชื่อว่าอากาศานัญจายตนะเป็นอรูปันที่หนึ่งช่องว่างเป็นของถูกรู้พวกเราดูออกไหมเมื่อกี้เนี่ยช่องว่างเป็นของถูกรู้นี่การที่เราดูช่องว่างอยู่เนี่ยจิตมันถลำลงไปดูถ้าเรารู้ทันจิตที่ถลำลงไปดูแล้วย้อนมาดูที่ตัวจิตที่เป็นคนดูตัวนี้อย่าทำนะถ้าทำแล้วแก้กันเป็นปีเลย ในให้ริมรสอ่ะให้ริมรสนิดๆหน่อยๆของอรูปตรงไปอยู่ในช่องว่างไม่ปรุงอะไรก็ปรุงความไม่ปรุงขึ้นมานี่เป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามปรุงชนิดที่หนึ่งปรุงดีปรุงชนิดที่สองปรุงชั่วปรุงชนิดที่สามปรุงความไม่ปรุงไปหลบอยู่กับความว่าง ถ้า ต, ต่อไปไม่จับที่ตัวรู้อันนี้ห้ามทําเด็ดขาดเลยนะแก่กันอางตายเลยหลวงพ่อเคยเข้าไปจับแล้วก็เสียหายมากกรรมาฐานตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่ล้วหลวงพ่อไปภาวนาที่วัดหน้าเรือนจําหลวงพ่อคืนเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อคืนก็รู้สึกหลวงพู่ดูลแล้ว นี่หลวงพ่อคืนนะเห็นหลวงพ่อดูจิตที่อยู่กลางอกไอ้ตัวไหวๆที่อกอะ่ะเวลาใครเห็นมากตัวที่มันไหวอยู่ในอกหลวงพ่อไปดูแล้วจิตมันถลําลงไปดูหลวงพ่อคืนเห็นหลวงพ่อคืนก็โวยวาเฮ้ยประโมดดูอะไรอย่างนั้นนี่ดูมาทั้งนี้ไอ้นั่นไม่ใช่จิตย้อนมาทั้งนี้ เราไว้คิดโอ้ได้หมัดเด็ดแล้วได้เคล็ดวิชาชั้นดีแล้วนะเข้ากุฏิเลยปิดประตูเลยนะยันสว่างเลยนะนั่งจับมาที่ตัวผู้รู้เนี่ยไอ้ไหวนี่ถูกรู้นะเลยมาจับเอาตัวผู้รู้แทนพอจับผู้รู้ไปผู้รู้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เกิดผู้รู้ตัวใหม่ขึ้นมานะพอรู้ผู้รู้ตัวใหม่ผู้รู้ตัวใหม่กลายเป็น สิ่งที่ถูกรู้อีกแล้วเกิดผู้รู้ที่ใหม่กว่าขึ้นมาอีกเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์วิญญาณเป็นอนันตตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกววิญญาณัญจายตนะนะพอใกล้สว่างแนละ้วเรารู้ว่าผิดละวแล้วคราวนี้พอลงมือปฏิบัติทีไรเป็นจับเอาตัวผู้รู้ทุกทีเลยจับปึ๊กเลยนะ โมโหเลยนะโมโหหลวงพ่อคืนมนาะทำเราเสียแล้วพอ ส, สว่างนะผลักประตูออกมาเนะลยโครมเลยด้วยความโมโหจะไปเล่นงานหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนรักหลวงพ่อมากเลยนะให้อยู่กุฏิติดกับท่านห่างกันไม่มากหรอกตอนที่เราผลักประตูโครมออกไปท่านก็โครมออกมาพร้อมๆกันเลยจิตท่านไวมากเลยนะท่านรู้ว่าเราจะเล่นงานท่านนะท่านเก่งอะ ท่านชี้หน้าเราก่อนเลยเฮ้ยประโมทภาวนายังไงมีได้เรื่องเลยก็บอกหลวงพ่ออะไรมาสอนผมเยเพี้ยนไปหมดแล้วแต่บอกไม่ได้ให้ทาอย่างนี้ว่าใจเราไปอยู่ที่ไอ้ไหวๆใช่ไหมนี่ขึ้นมาบอกทำไมไม่บอกอ่ะบอกไห้นั่นไม่ใช่จิตไอ้จิตอยู่ตรงนี้เราก็ย้อนมาดูนี่เลย แก้เป็นปีเลยนะพอ ภ, ภาวนาที่ไรเนะี่ยจิตมาจับตัวรู้ทุกทีเลยจับผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปเรื่อยๆเวียนกรรมเลยอะจริงๆไปต่อก็ได้นะแต่ไปไม่เป็นตอนนั้นรูน้สึกแย่ละโอกาสที่จะรอดนี่ยากมากแก้จนกระทา่งจิตมันกลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้ได้ในชะ่เวลาเป็นปีเลยไม่อยากเล่นนะอันนี้ ขอร้องหลวงพ่อชี่เจตแก้ให้เะฉนั้นพยายามอยู่กับโลกปกัจจบันอย่างเนี้ยแล้วดูความปรุงแต่งมีสองอย่างเท่านั้นปรุงดีกับปรุงชั่วไอ้ความไม่ปรุงอย่าไปยุ่งกับมันอย่างบางคนไปอ่านหนังสือเซ น, นะแล้วก็ใจโลง่ลงโลๆขึ้นมาแนละ้วก็พยายามไปบิ้วตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆคิดว่าตรงเนี้ยพ้นความปรุงแต่ง ไอ้นั้นเป็นความปรุงความไม่ปรุงอีกแบบหนึ่ง น, นะสําหรับคนที่ไม่ได้ฌานอ่านหนังสือเสน็นแใจจะโล่งๆผิดมนุษย์มนาปกติเหมือนไม่มีกิเลส น, นะว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าต้องระวังให้ดีตัวนี้หลวงพ่อก็เคยผิดอ่านหนังสือเวลาง่วงโปะอะไรพวกนี้แล้วก็ใจโล่งว่างไปเลยแล้วก็ไปอ่านหนังสือเสน็นเยอะๆเลยใจก็สบาย มันก็เป็นพบพบหนึ่งแต่เราโง่เราไม่รูนะ้เราคิดว่าตัวนี้เหนือกว่าพบนี่แท้โง่ทำไปให้ตายก็ไม่บรรลุมรรคผลฉะั้นอยากบรรลุมรรคผลแนละ้วมาเรียนรู้ความจริงอย่าไปปลอมสร้างพบปลอมๆขึ้นมาพบว่างๆอะไปลอมๆ อ, อยู่ในความเป็นจริงของเราในความเป็นจริงของเราก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนี่คือความจริงใช่ไหม สุขทุกข์อันไหนเยอะกว่ากันทุกข์อ่ะแล้วดีกับร้ายอันไหนเยอะกว่ากันร้ายเออเก่งมันเห็นตรงตามความเป็นจริงใครรู้สึกว่าดีเยอะเลยไม่ค่อยร้ายเลยมีไหมเนี่ยไปฟังฉเฉลยแล้วเราไม่ยอมตอบเลยบางคนเออฉันอดีดีฉันนไม่มีกิเลสเลยเนะี่ยมีนะคนภาวนาเราฉันไม่มีกิเลสเลย มีผู้หญิงคนหนึ่งนะนานแล้วละ่ะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่เกิดเข้าไปกราบเจ้าคุณอูบาลีที่วัดบ ร, รมนิวานแล้วก็ไปเรียนท่านกราบเรียนท่านเจ้าคุณคะดิฉันไม่มีความโกรธแล้วดิฉันไม่มีความโกรธแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าดิฉันเป็นพระอนาคามีแล้วเจ้าคุณบาลีท่านจัดการง่ายมากเลย อีตอแหละะพระนงางคาโกรดขาดสติเลยนะพระอะไรปากไม่ดีกระเทืบเท้าโป้งๆงลงจากศาลาศาลาไม้ไปถึงหน้าวัดนึกได้ให้นี่กโกรดเนี่ยเข้ามาขอเข้ามาพระก็มีนะมีพระรู้สิทธิหลวงปู่ดูลงหนึ่งท่านอยู่แถวพระนมรุ้งเนี่ยท่านชีว่าท่านบนรรลุพระอราหันต์ละ คิดถึงหลวงปู่ดูลคิดถึงเพื่อนสหาหะธันมิกนะโอ้แต่ละคนไม่มีใครบรรลุพระอรหันต์เหมือนเราสักคนหนึ่งเลยจิตไม่เหมือนเราสักคนเลยท่านเดินจากพนมรุง้งยุคที่มันไม่มีรถเมย์ไม่มีถนนเดินไปวัดบุรพารามออกแต่มืดเลยไปถึงดึกเลยหาหลวงปู่ดูลไปเคาะประตูหลวงตาดูล พระอรหันต์มาโปรดแล้วออกมาฟังธรรมเร็วๆห <นะ S 1> ลวงปวู่รู้ว่านี่เพียนนะหลปู่ก็ไม่ออกมาท่านก็เดินไปเคาะกุฏิทุกหลังเลยนะเรียกพระท่วอง์เที่ยงคืนกว่าเนี่ยให้มาฟังธรรมจับพระอรหันต์หลวงปวงู่โดนเลยบอกพระนะบอกว่าหลอกให้เข้าไปอยู่ในโบสถ์ก่อ น, นไม่งั้นไม่ได้หลับได้นอนน่ะ ไปบอกเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนง่วงฟังธรรมะไม่ได้หรอกต้องนอนก่อนนะพระละหันไปพักด้วยให้เข้าไปในโบสถ์แกก็เออจริงนะตอนนี้คนกำลังง่วงเทศไปก็ป่วยการนอนดีกว่านะพระละหันก็พักผ่อนพอเช้าขึ้นมาหลวงปู่พยายามแก้ให้แกก็ไม่สำเร็จนะใจมันล็อกเลยมนะชั้นบนรรลุชั้นบนรรลุยุคนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มี หลวงพ่อแก้ไม่ตกเลยบางคนนะคิดว่าจบแล้วจบแล้วสุดท้ายหลวงปู่ดูลใช้ไม้ตายดา่าไอสัตว์นรกไนะอสัตว์นรกไปให้พน้นใส่หัวไปหนะัวพระอรหันตะ์โกรธมากเลยนะคว้าไม้กวาดของหลวงปู่ดูลได้แนละ้พาดบ่าไปเลยนึกว่าเป็นโกรธของตัวเองนะ พระแแบตออกไปองค์นี้ไปไกลนะเดินไปสามกิโลถึงหน้าวัดโยธาประสิทธิ์เพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยนี่โกรธหลวงปู ด, ดุลเนี่ย <c oughs> อย่าว่าแต่พระระหันเลยพระนาคาก็ไม่ได้นึกขึ้นได้นะแต่ก็ยังไม่กลับมากนหลบเข้าไปอยู่ที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็หลวงปูช่ชวดหลวงปู่ชวดก็ลูกเสร็จหลวงปู ด, ดุล ใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่โชติชายาระลึกชาติบ้างมีไหมเรื่องท่านแปลกๆอยากฟังไหมไปถามกูเกิลเราขี้เกียจเล่า <c oughs> ไปเซิร์ชหลวงปู่โชติระลึกชาตินะสุดท้ายหลวงปู่โชติก็พามาหาหลวงปูด่ดูลแก้ตกขอเข้ามาแก้ตกได้เพราะว่าเห็นกิเลสตัวเอง งั้นพวกเราต้องคอยระมัดระวังนะภาวนาไปแล้วเกิดอะไรแปลกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อง่ายสังเกตกิเลสให้ดีเถอะนะดูไปเรื่อยๆนี่ก็มีพระนะท่านก็บอกเนียท่านขอดูสามเดือนกันแล้วจะมาหาหลวงพ่อท่านภาวนาปีไกลท่านมาแล้วก็บอกท่านว่าจิตท่านมันยังเคลื่อนได้อยู่ ยัมีการไปมีการมาอยู่เดี๋ยท่านจะบอกท่านเห็นแล้วเดี๋ยท่านไปดูต่องั้นเวลาเราภาวนานะสังเกตตัวเองไปอ่านใจตัวเองไปมันปรุงดีเช่นปรุงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงยังคนไม่โลภเนี่ยใจกว้างก็เพื่อเผือเ่อแผ่อย่างใจเราก็เฝื่อเผื่อแผ่เราก็รู้นะ คนไม่โกรธเนี่ยใจมันมีเมตตาเราก็รู้คนไม่หลงนะจิตใจมันร <imperfect> oh. ู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราก็รู้เนี่ยจิตเราเป็นกุศลมันปรุงดีอยู่นะหรือมันปรุงชั่วมันโอบขึ้นมาก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหลงขึ้นมาก็รู้เนี่ยมันปรุงดีก็รู้ทันมันปรุงชั่วก็รู้ทันเรียนรู้มันไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นความจริงนะจิตที่ปรุงดีก็ไม่เที่ยงจิตที่ปรุงชั่วก็ไม่เที่ยง พอปรุงแล้วรู้ไม่ทันปรุงดีแล้วรู้ไม่ทันเนี่ยความปรุงดีนะไม่ยอเข้ามาครอบงำจิตคราวนี้กลายเป็นจิตดีนะจิตจิตดีแล้วถ้าปรุงชั่วเรารู้ไม่ทันว่านี่จิตมันปรุงชั่วความชั่วมก็เข้ามาครอบงำจิตกลายเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงขึ้นมานี่เรียนรู้อยู่ที่จิตตนเองนะดูไปมันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ แต่ถ้าเมื่อไหร่มันดีตลอดเนี่ยรีบมาปรึกษานะมันผิดธรรมชาติหน้าตาอย่างพวกเราจิตดีตลอดไม่ได้หรอกต้องผิดแน่นอนเลยต้องต้องคิดอย่างนี้เลยนะต้องผิดะ่ะหลวงพ่อภาวนานะเคยพลาดไปทีหนึ่งตอนเป็นโยมอะนะจิตสว่างขึ้นมานะแล้วมันไม่มีการมาราคะเราก็นึกว่าผ้านนาคาหรือว่า ถ้าไม่มันดูแปลกๆแต่จิตเนี่ยไม่มีการมาราคาเลยนะไม่โกรธไม่มีการมาราคาเนี่ยตามตำราเป๊ะเลยไม่มีการมาราคาไม่มีปฏิฆาจะว่าพระอนาคาก็ไว้ไวใจไม่ได้หลวพ่อไปยืมหนังสือโปของเพื่อนมาอ่านถ้ายุคนี้ง่ายใช่ไหมดอูอินเทอร์เนต็ตเนะี่ยรูปโปอะไรเยอะแยะเรื่องรามกสกเพลทมีเยอะแยะสมัยนั้นไม่มีนะดูหนังสือโป้ ดูไปวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะใจเฉยเลยไม่มีความรู้สึกเลยนะพอวันที่เจ็ดอุ้ยผู้หญิงคนนี้มันสวยขึ้นมาลนะเนี่ยจิตมีราคาขึ้นมาแล้วนะดีใจนะเห็นกิเลสตัวเองแล้วนะั้นภาวนาอย่ารีบบรรลุอะไรเลยนะคอยดูกิเลสไว้ให้ดีมจะได้ไม่ถูกหลอกนะถูกหลอกแล้วบางคนมันดือ้อแก้ยากคนไม่แก้ไม่ตกเลยนะ ยุคไหนยุคไหนก็มีคนชนิดนี้แต่บางคนก็แก้ได้ถ้าใจมันอ่อนโยนอ่อนน้อมเชื่อฟังครูบาอาจารย์ตักเตือนแล้วฟังอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะอ่อนน้อมกับครูบาอาจารย์อ่อนจริงๆไม่ได้แกล้งอ่อนอย่างเราภาวนาเนี่ยบางครั้งเราสงสัยในคําสอนของหลวงปู่ดูลเคยหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตเพราะพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกข์ทำไมไม่เหมือนกัน หลวงปู่ดุลให้ดูจิต ด, ดูทั่วไปมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์นะถ้าไมหลวงปู่ดุลสอนขัดกับพระพุทธเจ้าหลวงพ่อไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดแล้วก็ไม่คิดว่าหลวงปู่ดูลสอนผิดแต่คิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเวลามองนะจะมองว่าเราอไม่เข้าใจไม่ใช่พระพุทธเจ้าผิดพระไตรปิฎกผิดครูบาอาจารย์ผิดไอ้นั้นพูดตามกิเลสแล้ว ภาวนามาตั้งนานนะยี่สิบสอปีถึงรู้ว่าที่หลวงพู่ดูลบอกว่าดูจิตนะมันก็คือดูทุกข์นั่นเองเพราะจิตเนี่ยคือตัวสุดท้ายที่เราจะเห็นได้ว่ามันคือตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ที่ดูยากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจนะเป็นมรรคและไม่ใช่มรรคธรรมดานะจะเป็นอรหันตมรรคเราะนั้นตัวจิตอะไรคือตัวทุกข์มันคือตัวเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าบอก เราต้องค่อยๆเรียนยงั้นสังเกตกิเลสไปนะถ้ากิเลสหายไปหมดเลยอย่าเพิ่งดีใจค่อยๆดูค่อยๆดูไปแม่จะได้ไม่โดนหลอกมีพระบางวง์นะมาบอกหลวงพ่อก็เคยมาเรียนกับหลวงพ่อเป็นพระฝรั่งมาเรียนก็ขยันดูนะเสร็จแล้วก็ไปเข้าสำนักอะไรก็ไม่รู้ไปเข้าสำนักที่หนึ่งนะ ภาวนาอยู่สองสามวันไม่เกินเจ็ดวันหลวงพ่อจําตัวเลขไม่ได้ละทางสำนักนั่นเ้ารับรองว่าได้พระโสดาแล้รีบมาหาหลวงพ่อเลยว่าเป็นพระโสดาละจะให้หลวงพ่อโอเคด้วยหลวงพ่อบอกไม่เห็นเหรอว่ายังรู้สึกว่าจิตเป็นเรานผมไม่รู้สึกเลยว่าจิตเป็นเราเนี่ยจิตมันอย่างนี้มันจะรู้สึกได้ไงนะจิตมันออกไปอย่างเนี้ย จิตมไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจิตไม่ได้มีปัญญาจริงจีกำลังหลงอยู่ในโลกอันหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีตัวเราตัวเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาจไหมนะสักยัตทิฐิไม่ได้เกิดตลอดเวลายังเด็กแรกเกิดเนี่ยมันยังคิดอะไรไม่เป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยมันยังไม่รู้สึกว่าเนี่ยคือเราอันนี่คือเรายังไม่รู้สึกนะ หรือเวลาจิตเรารวมมีสติมีสมาธิจริงๆความเป็นเราไม่มีเพราะตัวสักกายทิฏฐิเป็นตัวกิเลสตะกู ล, ลาคะตัวหนึ่งนะเป็นตัวทิฏฐิงั้นในขณะที่มีสติเนี่ยสักกายทิฏฐิไม่มีเราะนั้นในขณะที่จิตทรงฌานอยู่เนี่ยมันจะไม่เห็นสักกายทิฏฐิเนียจะมองไม่เห็นนรอกนั้นถ้าจิตดอกมาอยู่ในโลกปกติอย่างเงี้ย ดีบ้างชั่วบ้างเนะ่อย่างนั้นน่าถึงจะเห็นเนะมื่อเวลาดูล้วดูให้ดีรู้หลักให้แม่นนะงนั้นโดนหลอกเพระจิตมันล็อกแล้วว่าฉันเป็นพระโสดาแล้วนะคราวนี้ใครพูดอะไรก็โมโหเลยนะพระนั้นก็โมโหหลวงพ่อนะปฏิญาณตนชาตินี้จะไม่เหยียบวัดส่วนสันธิธรรมอีกแล้วดีนะว่าปฏิญาณว่าชาตินี้ต้องเหยียบหลวงพ่อประมุให้ได้นะ <laughs> ดีที่ไม่ปฏิยาณอย่างนี้นะแค่ว่าไม่มาเหยียบที่นี่ก็ดีเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ใช่รู้สิทธิ์เราเลยพระอาคารตุ ก, กะนันไดมาไปดูความปรุงดีปรุงชั่วในใจเรานะปรุงตลอดเวลาไปกินข้าวแต่กินข้าวก็ดูนะปรุงดีปรุงชั่วนิมนต์